หการทำวิปัสสนาต้องพ้นจากขั้นของความคิดเวลาเราศึกษาธรรมะนะเราวางความคิดทิ้งความคิดความเห็นความเชื่อทั้งหลายปล่อยมันไปถ้าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเชื่อมันดีจริงเราควรบรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วพ้นทุกไปแล้วบางทีเราก็คิดว่าบรรลุแล้วแต่มันไม่บรรลุหรอกเพราะกิเลสมันยังครอบงําจิตได้อยู่ฉะนั้นเราปล่อยความคิดความเห็นความเชื่อเสียแล้วมาดูของจริง คือมาดูกายดูใจที่เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเลยว่าสติเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้เวทนาเดี๋ยวก็รู้จิตทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตก็ไม่ใช่อะไรอื่นเป็นสภาวะธรรมล้วนๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูอย่างนี้มากเข้ามากเข้าใจถึงจะยอมรับความจริงแต่ถ้าเราดิ้นรนค้นคว้าใช้เหตุใช้ผลใช้ตรร ก, กะในการค้นคว้าพิจารณา สิ่งที่เราได้มาคือได้ความเชื่อเราจะเชื่อเอาเองเชื่อในสิ่งที่คิดอย่าไปเชื่อสิ่งที่คิดขึ้นมาให้ดูของจริงของจริงคือกายกับใจเขาจะสอนเราเองไม่ต้องคิดมากนะอย่าคิดมากโยนความคิดลงตะกร้าไปเลยการใช้เหตุใช้ผลการวิเคราะห์มันดีสำหรับการเรียนรู้ทางโลกแต่มันกีดขวางการเจริญสติการเจริญวิปัสสนาในทางธรรมตราบใดที่ใจยังคิดอยู่ตราบนั้นวิปัสสนายังไม่เกิดขึ้น ต้องพ้นจากขั้นของการคิดไปก่อนอย่างเราไปคิดว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่สภาวะธรรมเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเปรียบเทียบเอาด้วยการคำนวณเอาอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนานะสูงที่สุดไปได้เรียกว่าในเครื่องหมายคําพูดสั ม, มสนญาณเป็นปัญญาที่เห็นว่ากายกับใจเป็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเอาเพราะรู้ว่ากายกับใจปัจจุบันไม่เหมือนกับกายกับใจเมื่อก่อนสูงสุดได้แค่นี้เอง ไม่สามารถขึ้นสู่วิปัสนาคือไม่สามารถขึ้นสู่ในเครื่องหมายคำพูดอุทยัพยายามได้อุททยัพยายามคือจิตที่หลุดออกจากความคิดแล้วมันมาเห็นความจริงของกายของใจว่ามันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่ถึงจะเป็นวิปัสนาตัวแท้จะข้ามภพข้ามชาติจะละกิเลสได้ก็เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่การคิดคำนวณเอานักคิดนักปรานนั้นมีเต็มโลกนะ มีมาแต่สมัยไหนไม่เห็นจะพ้นทุกสักคนเลย